ไม่ไหวแล้วพอกันทีฉันไม่อยู่แล้วผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งของความโกรธที่เราควรจะจาใส่ใจไว้ก็คือมันจะทำลายความสัมพันธ์ของเราและแยกเราออกจากมิตรของเราทำาไมเราจึงเลิกคบกับเพื่อนของเราไปเลยทั้งทั้งที่เราเคยคบกับเขายัางมีความสุขยิ่งมาเป็นเวลาหลายๆปี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 ถ้าโยมอยากจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็จงเพาะเลี้ยงความโกรธเอาไว้เถอะสามีพัรรยาหนุ่มสาวชาวแคนาดาที่อาตมารู้จักคู่หนึ่งกาลังจะหมดสัญญาการทางานที่เมืองเผิร์ตขณะกาลังวางแผนการเดินทางกลับบ้านเกิดที่โตรอนโตเขาเกิดความคิดเฉียบแหลมที่จะล่องเรือกลับประเทศแคนาดา